ในบรรดาทุกขศัพท์คือทุกขศัพท์ได้แก่อะไรบ้างก็คือขันห้าอะไรอีกยตนาสิบสองท่าสิบแปดอันนี้คือทุกขศัพท์ใช่หมทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดอันนั้นเรียกว่าสมุทยัยถ้าทุกเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะหรือว่าที่เรียกว่าถ้าดับทุกเหล่านี้ได้ ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมตามคติของเราเนี่ยนะถ้าดับทุกข์อันนี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งในทุกขศัพท์เนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสอุปมาเหมือนก็คือตัวโรคเมื่อเป็นตัวโรคเนี่ยผู้ที่รักษาโรคหายเนี่ยถือว่าเป็นความดีเยี่ยมใช่ไหมแต่เป็นความสุขสุดยอดถ้าถ้ า, าเรียกว่าทิ้งโรคและไม่มีโรคอันอื่นอีกต่อไปเนี่ยถ้าขันท่าทุกข์ขันที่เป็นอุปาทานขันเป็นคือตัวโรคเนี่ยถ้าดับโรคอันนี้ได้เป็น เป็นสุขอย่างยิ่งดังั้นคนที่มุ่งจิตคิดจะดับลักษณะนี้นะต้องหัดหัดเริ่มมาคิดตั้งแต่หยาบๆก่อนเช่นว่าถ้าไม่ปฏิสนธิในนรกเลยดีไหมนี่นะก็เริ่มคิดอย่างนี้นะถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นเดรัจฉานเลยดีไหมถ้าไม่เกิดเป็นเปรตอดอยากหิ้วโอยดีไหมนะ่ะถ้าอย่างมาเป็นมนุษย์ที่มันรับภาระเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้แบกขันคนละสี่ห้าสิกิโลเที่ยวไปเรื่อยตลอดเนี่ยนะ ถ้าไม่ต้องแบกทุกแบกโรคแบกความเจ็บปวดเหล่านี้ดีไหมถ้ า, านะเขบอกว่าปวดหัวแล้วถ้าเลิกปวดหัวดีดีไหมเป็นต้นเนี่ยเราลองมาไล่ไล่ดูอย่างนี้ถ้าทุกเหล่านี้ไม่มีโดยประการตั้งพวงเนี่ยดีไหมอันนี้แหละที่เรียกว่าอัธยาสายอันนี้มีจริงไหมถ้ามีจริงเมื่อเรารู้ทั้งความเกิดความดับอย่างนี้แล้วว่าเกิดเกิดยังไงถ้าดับดับยังไงเนี่ยก็รู้แล้วถ้ารู้อย่างนี้และ้ะคิดยังไงจึงจะดับได้จริง คิดยังไงจึงจะดับได้จริงอันนี้จะเป็นกลุ่มวิ่ปรัชนาญาเนี่ยจะเข้ามาในระดับนี้ขึ้นมาภพาภูมิที่เราพูดไปทั้งหมดที่ผ่านมาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเรียกภาษาภาษาไทยๆเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนะรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นความเกิดอะไรเป็นความดับองค์ประกอบไปด้วยอะไรมันมีทุกข์มีโทษเสียหายเป็นต้นอย่างไรอะภาษาบาลีอมไว้อยู่ศา์เดียว ยถาภูตะญานัทสนะทัศนะก็แปลว่าเห็นใช่ไหมยานะก็แปลว่ารู้ยถาภูตะก็ตามเป็นจริงการยานที่เป็นความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงว่าความจริงของทุกขความจริงวันนี้คือทุกทุกเหล่านี้เป็นไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยทุกเหล่านี้จึงมีขึ้นถ้าปัจจัยเหล่านี้ดับทุกเหล่านี้ก็ดับ เรามาถึงขั้นนี้เราก็สนใจต่อไปว่าแล้วรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเนอจึงจะดับทุกข์ได้เนี่ยนะอันนี้คือคือส่วนที่เราจะต้องทําความเข้าใจต่อไป อ, อซึ่งความจริงที่เราฟังมาก่อนหน้านี้ว่าขันทุกขันอันนี้จังใช่ไหมเพราะอาถาว่าสิ้นไปเนี่ยนะทุกขังเพราะอาถาว่าเป็นภัยน่ากลัวเนี่ยนะ อนัตตาเพราะอถาทาว่าอาสาระไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขาสาระอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงก็เรียกว่าอนัตตาเนี่ยนะข้อปฏิบัติไม่ได้เพิ่มอะไรพิเศษหรอกเพียงแต่ว่าเห็นขันธาตุอายตนะเนี่ยโดยอนิจจงทุกขังอนัตตาเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรารู้จริงแหละตั้งคําถามว่า เรารู้ไหมว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารู้ไหมรู้รักชีวิตไหมรักเออเอ๊มเอาไงกันแน่ <c oughs> เ, เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาใช่ไหมหิวข้าวไหมทําไมไม่ปล่อยให้ตายไปเลยละ่ะ <c oughs> เอาก็รู้ว่าสัตว์โลกเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะต้องไปประคบประงมกินเลี้ยงเลี้ยงดูอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมเอาก็จะตายแล้วองไหนๆก็จะตายแล้วเนี่ยนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะ เพราะเราไม่สามารถตัดฉันธราฆะในขันห้าได้อย่างแท้จริงเรียกว่ายังมีอะไรอาวอนในขันห้านี้เกินกว่าที่จะสำเนวนว่าจะปล่อยให้ตายคาราบได้เนี่ยนงเพราะว่าอาวอนมากกว่า น, นั้นรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอนิจจงทุกขังอนัตตารู้หมดแล้วเหมนกันแต่ว่ากิเลส ก, ก็เท่าเดิมนั่นแหละมือนที่เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ตามเห็นโดยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาด่างแค่จริง เราพอรู้ที่ความรู้ที่เรามีพระบุญของพระพุทธเจ้าท่านอาศัยปัญญาของพระองค์ที่พระองค์ชี้แนะให้เราหรือท่านบอกเราว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรายังไม่ได้ตามเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นปัญญาของเราเพราะที่ผ่านมาถ้าว่าตรงๆเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าหมดเลยอาศัยสุตะที่เราเรียนขึ้นมาโดยความเป็นเหตุเป็นผล น, นะส่วนนั้นทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้า ที่เราขอรู้ตามเห็นตามแต่ส่วนที่เหลือนะมักเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าเราเป็นแต่คนชี้ทางไงไหมส่วนที่จะตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายนี่เราจะเห็นยังไงเราคงได้ยินบ่อยๆนะในใ น, ในพระสูตรหลายๆสูตรอย่างเช่นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกยาบละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราพรองบอกว่าเธอพึงเห็นตามความเป็นจริงว่าหรือทั้งหมดนั้นขันห้าให้เห็นตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราพระก็บอกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เรา ที่ใดอ่านในพระไตรปิฎกนะนั่นไม่ใช่เราให้รู้ว่าพระองค์กำลังแสดงอนิจจังอยู่นั่นไม่ใช่ของเราแสดงทุกขังอยู่นั่นไม่ใช่อัตตาของเราที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะนะนั่นแหละที่เราพระองค์แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่ใช่เราเพราะมันไม่เที่ยงที่ไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นทุกที่ไม่ใช่อัตตาของเราเพราะไม่มีสาระอย่างแท้จริงที่พอจะยึดถือว่าเป็น เป็นเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างที่กล่าวไปได้เพราะถ้าบอกเอ๊ะทําไมพระพุทธเจ้าไม่เทศอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็พระ อ, องค์บอกอันนี้เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแล้วรู้กันว่าหมายถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา อ, อริยาสาวกเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นโดยความเป็นอ น, น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะรู้เห็นอย่างนี้ยควรจะเกิดอะไรขึ้นนิพพิธาเนี่ยนะ ก็เกิดเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายนะะทีนี้ผู้ที่เบื่อหน่ายอย่างจะถามว่าจะมีความกําหนัดติดห้องในขันห้าเหล่านี้ไหมอันนี้เป็นวิราคะนะนะต้องการสร้างขันขึ้นเพิ่มอีกไหมอันนั้นไม่เป็นนิโรธะเนี่ยนะเพราะต้องการดับจริงๆต้องการสละคืนหรือครอบครองก็ต้องการสละเนี่ยนะปฏินิสักะ ไอ้ปฏีนิสักขะเนี่ยแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมแบ่งออกเป็นสองคือเล่นไปสู่พระนิทานอันนี้เรียกว่าตักขันธนะเล่นไปสู่พระนิทานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปริจาคะมุ่งจะบริจาคตรงเนี้ยปฏีนิสักขาคือมุ่งมุ่งอะไรปริจาคะเห็นไหมต้องการบริจาค ข, ขันห้าแล้วใช่ไหมเห็นไ ถามว่าทําไมเราต้องบริจาคจริงๆก็ต้องบองกาต้องการบริจาคสมุทยัยแล้วต้องการบริจาคเสียสละไอฉันทราค่าในขันท่าจิตก็เล่นไปสูอสังคตาตธาเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวไปว่าตั้งแต่พังคานุปัสนาเป็นต้นไปก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาะนะเมื่อตามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์นิพิทาก็จะ บริบูรณ an an an uh, ha, ์เมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตานิพิทาบริบูรณ์วิราฆะจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตานิพิทาวิราฆะบริบูรณ์นิโรธาก็จะบริบูรณ์เมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตานิพิทาวิราคะนิโรธาบริบูรณ์ปฏินิสัทธาก็เน้นแล่นเพื่อสละออกจากขันธ์ห้ามุ่งจูอสังกัตธาตุทำเป็นที่ดับกองทุกขั้งมวลเนี่ยนะ นั้นกองทุกหรือความพ้นทุกในศาสนาของเราเนี่ยนะก็คือการดับฉันตราค่าในขันห้าจิตลีกออกจากสังฆตะธรรมทั้งหมดก็เล่นไปในอสังฆตะธรรมเนี่ยนะนั้นเขาบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันก็คิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามอย่างนี้บ่อยๆเคยคิดนะครับว่าวัตตะนะวัตตะใช่ไหมวัตตะเป็นชื่อของอะไรกรรมเป็นปัจจัยแก่ วบากวิบา ก, บากเล่นมหากิเลสอย่างนี้เขาเรียกว่าวตตะทำยังไงที่มันหักกรรมละ่ะถ้าถ้า ถ, ถ้าทํายังไงกิเลสจึงจะดับถ้ากิเลสดับกรรมก็เป็นอันดับถ้ากรรมดับวิบากก็เป็นอันดับที่สุดแ่งทุกข์ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอันมีด้วยประการอย่างนี้้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเรียกอะไรเรียกวิวัตะ ah. เนี่ยนะเรียกว่าวิวัตะ ah. เพราะฉะนั้นการตัดฉันทราค่าในขันท่าเนี่ย เป็นการตัดต้นเหตุแห่งกรรมที่จะทําให้กรรมให้ผลต่อไปถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้เนั่นก็ที่เหลือภารกิจของเราที่ที่เรียกว่าจะต้องเจริญเองเนี่ยก็คือการตามเห็นขันท่าว่าไม่เที่ยงตามเห็นขันท่าว่าเป็นทุกตามเห็นขันท่าว่าเบือหน่ายนะอนณาตาเพื่อความเบื่อหน่ายแต่อันนี้จังที่ถูกต้องนะ ต้องโสมนัตใช่ไหมขันห้าไม่เที่ยงพร้อโสมนัตขันห้าเป็นทุกข์ก็ต้องโสมนัตอนัตตาก็ต้องโสมนัตแต่ถ้าโธมันัตเกิดเมื่อไหร่นะก็เหมือนอะไรเหมือนก็บอกว่าเพราะญาติตายเนี่ยนะเรายอมรับใช่ไหมว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ทำไมเสียใจยละ่ะก็แสดงว่าไม่เย็บขายเพียงพอทีนี้พวกเบื่อนายเป็นต้นนั่นแหละที่ในนิพพานอุปสรรคนะเพราะว่าพวกเบื่อนายเนื่องจากว่าเห็นอย่างอื่นที่ดีกว่าสงบกว่า ประณีตกว่าจึงเบื่อหน่ายเนี่ยนะจิตจึงน้อมไปเพื่อสลัดออกถ้าสลัดออกโดยส่วนเดียวเรียกว่าอะไรโคตรภูยานถ้าออกโดยสองส่วนเรียกว่ามัคคานทีนี้มาดูผลยานบ้างนะในหน้าเจ็ดสิบสี่นะมาดูผลยานนะว่าถ้าออกได้จริงๆเนี่ยนะจะมีผลต่อไปอย่างไรพอดูอัตถาผลยา น, นุเทศว่า ประโยคับปฏิปัสสัที่ปัญญาภรเลยานังแปลว่าปัญญาในการระงับประโยคะเป็นผลยานแสดงว่ามรคนี่เป็นประโยคะอย่างยิ่งใช่ไหมอริยผลนี่ระดับประโยชนระงับประโยคะนะปฏิปัสสัที่นี่แปลว่าสงบระงับสงบระงับอะไรสงบระงับประโยคะอริยมรคนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของประโยคะนะประกอบกว่าจะอริยมรคจะเกิดเนี่ยนะเป็นการตรุงแต่งมากที่สุด ไม่มีอะไรที่จะต้องประกอบปรุงแต่งมากเท่านี้อีกแล้วอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เนี่ยสี่อสงไขยแสนกัปใช่ไหมภาษารีบทหนึ่งอสงขขยแสนกัปพระอ น, นุนแสนมหากัปเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยปรุงแต่งอริยมรรคเนี่ยปรุงนานเนยอเกินนะเพราะฉะนั้นตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นต้นไม่ใช่เป็นของง่ายอย่าลืมนะว่าคําสอนในาศาสนาของเราเนี่ยให้ตัดฉันทราคะ ในปิยรูปสาตารูปในสภาวะที่น่าปรารถนาทำฌานให้เกิดนี่ก็ยากเลยแล้วใช่ไหมแล้วตามเห็นฌานนั้นอนะ่ะเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนอนะ่ะอันเหมือนกับว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยใครที่จะเจริญให้เกิดได้เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมแล้วใช่ไหมแต่นี้เห็นสีลสมาธิอย่างเช่นฌานทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโร ค, เ ป, โรคเป็นดังหัวฝีนี่จึงไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะ เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ยึดถือแม้กระทั่งเรือแพที่จะทําให้ข้ามฟากจริงๆนะนะไม่ยึดแม้กระทั่งเรือข้ามฟากอะถ้าคนที่ต้องการขึ้นบกจริงๆก็ต้องไม่อยู่ในเรืออย่างเดียวใช่ัหมถ้าอยู่ในเรืออย่างเดียวถ้าเรือมันเชื่อกขาดาเรือก็จะพายจมอีกเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นก็รีบขึ้นบกซะทีนี้ก็ขยายเป็นศัพท์ว่าเปโยโครหรือเปโยคะนี่แปลว่าการประกอบอย่างแรงกล้าอ น, นี้ท่านบอกว่าโหเอามากเลยนะเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายได้เหมือนกัน ก็เคยได้ยินนะว่าบาลีว่าประหิตัดโตมีตนส่งไปแล้วแปลว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีจิตทอดน้อมไปเพื่อการตรัสรู้อันนั้นก็เรียกว่าประกอบอย่างแรงกล้าคือมีความพยายามที่จะออกจากกิเลสและขันกิเลสเนี่ยถ้าออกจากกิเลสเรียกว่าอะไรออกจากกิเลสเรียกว่าปริจาคะออกจากขันเรียกว่าอัขันธนะเนี่ยไง ออกจากกิเลสเนี่ยเป็นปรบริจาคบริจาคออกจากขันเรียกว่าอคขันทะนะคือแล่นไปที่จะออกจากกิเลสและขันทั้งสองได้ก็ต้องด้วยมัคคภาวนาโดยทําให้แจ้งซึ่งอริยผลนีถ้าบรรลุมัคสมาธิมานันตริกันยามาหูเนี่ยนะสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นคือมัคสมาธิมัคสมาธิให้ผลเป็นอริยผล